อ, น อ, อั น, นในวันนี้พวกเราทุกคนก็ได้มาประชุมกันซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาของพระพิสุสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนาพวกเราทุกคนก็มาประชุมกัน ไม่ก็ได้มาทำวัดอนิสัยการอธิษฐานเข้าพรรษานั้นก็คือเรามีความตั้งใจว่าจะอยู่จำบรรษาน่าจสามที่แห่งนี้ไม่เที่ยวไปในที่ต่างๆตอลอดระยะเวลาสามเดือนพวกเราก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพอสมควรก็คงทราบดีแล้วว่าเรื่องการเข้าบรรษาสมัยก่อนนั้นพระก็ เดินทางไปในทีต่ต่างๆตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนก็ไปเหยียบย่ำพืชพืชผลของชาวบ้านเสียหายพระพุธมงค์ก็เลยบัญญัติให้อยู่จําเป็นสาเป็นที่ในฤดูฝนตลอดระยะเวลาสามเดือนแต่ว่าท่านก็ยังยกเว้นว่ามีเหตุจําเป็นถ้ามีเหตุจําเป็นหรเหตุั้นควรท่านก็ยังทรงได้ญาต ให้สัตหะกัลณยะรือว่าอาจจะออกจากวัดไปไปกลับไม่เ่ยเจ็ดวันถ้ามีเหตุจำเป็นเหตุจำเป็นนั้น ก, ก็มีเหตุว่าสาสมิกหรือว่าบิดามันดาเจ็บป่วยป่วยไข้เนี่ยเราสามารถที่จะสัตหะไปดูแลพยาบาลได้แล้วก็เหตุจะเป็นที่ควรไปการสาสตาย ก็คือว่าถ้าเพื่อนสาสมิกมีความคิดเดลกกระสึกเดกกระลาสิขาเนี่ยบาทีก็เราอาจจะไปให้ทำหรือว่าไปเตือนสติเพื่อให้เปลี่ยนใจในการที่จะอยู่ในเพศพู้มาจารย์พระพุมธองจ์รันรต่อไปได้เนี่ยอันนี้ก็เหตุบนนรรนหรือไม่ก็ท่านมหตุจำเป็นเสนาสนะชำรุดชุดโสม หรือวัสดุในการก่อสร้างจาเป็นที่ต้องหามาซ่อมแซมเสรนส น, สนาานะทา้ท่า น, นก็ให้สถาไปได้หรือไม่ก็อีกทางหนึ่งก็ศรัทธาของทายกทายิกาหรือว่าศรัทธาของญาติโยมที่มีศรัทธาต่อพระพุทธธรรมะสงฆ์ต่อพระภิกษุสมเดยจในสำนักนั้นๆมานิมนต์ไปทำบุญทำบุญ ในงานบุญงานกุศลนะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ท่านประทรงอนุโลมให้ไปได้ะลองศรัทาญาติโยมตามสมควรแต่ทั้งหมดนี้ก็ให้ไปกับกระทครั้งหนึ่งก็ไม่เกินเจ็ดวันนี่นอกนั้นก็ติดเร่งอื่นถ้ามีความจำเป็นพ อ, อนุโลมที่ถ้าสมควรก็อนุโลมได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เหมาะสม ในการอยู่จรพรร า, าร่วมกันเนี่ยในสัมทักษ์เราก็ทิศทั้งสี่ก็อยู่ที่เขตของวัดก็อยู่ที่กำแพงวัดทิศตะวันออกก็เขตของวัดก็สุดด้านกำแพงทิศเหนือก็ส่วนด้านกำแพงส่วนทางใต้ก็ด้านกำแพงมาะตูออกทางตะวนตกนั้นกำแพงด้านหน้ายังไม่มีก็ตรงแนวกำแพงจากทิศเหนือ ไปสู่ิศใต้ที่ยังไม่ทําส่วนหนึ่งจากส่วนปามันคือขอบเขตของที่วัดเรามีการบินดาบัดในฤดูเข้าพรรษาก็ต้องให้ได้รุ่นก่อนให้ได้อรุณแล้วค่อยออกจากชายป่าหรือว่าชายวัดดูเวลาให้ดีให้ได้อรุณคือว่าให้เห็นแสงเงินแสงทองหรือว่าถ้าหน้าฝนไม่เห็นนีให้เห็นลายมือให้บอมองเห็นลายมือ ก็อออกปีนตะบานได้ไม่เช้าเกินไปชาวบ้านก็จะได้ตื่นใส่พระฐานทันเนี่ยไปเช้ากันไปบางทีชาวบ้านหุงหาหารไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ออกให้ได้อรุณก่อนจึงเจะออกจากเขตเขตวัดเราตามที่ต่างๆแต่ว่าถ้ามีเมฆฝนคลึ้มต้องฟ้าไม่ปลอดโปร่งจำสาสนี่ก็ให้ดูเวลาเวลาที่วันไหนที่เราเคยออกอขนาดนั้น ตอนฟ้าปกติมันโปร่งแล้วแต่วันนี้ยังไม่โปร่งก็ไม่เป็นไรอันุโลม แ, ลแต่ว่าก็ดูแล้วกันะะในดูฝนทันทีถ้าฝนตกหนักตอนช่วเช้าเราจจะเลกไปหน่อยไม่ใช่ว่าต้องออกตรงเวลานะถ้าฝนตกหนักก่อนออกบินบาตเนี้ยเราก็พ่อนเลยอาจจะชะลอให้ฝนไม่รุนแรงนักอาจจะชะลอไปเลกสายเราสิบนาีสิบ้านาทีก็ไม่เป็นไรถ้าฝนหนักเกินไปเราก็ชะลอไปหน่อยแล้วค่อยๆออกไปบินแต่ว่า ไม่ใช่มาถึงเวลาฝนตกขนาดไหนก็ลุออยลงไปนี่ให้ดูตามความเหมาะสมนี่การอยู่จำพรรสลุ่มกันเนี่ยเราก็ได้มาทำวัดซึ่งบางทีอยู่ร่วมกันมีเรื่องกระทบกระทั่งทางจิตใจหรือทางความคิดเห็นของแต่ละท่านแต่โลไม่เหมือนกันก็ให้หมดซิ่งไปจากใจเราอย่าไปถือโทษกันอยู่รวมกันก็เสมือนหนึ่งกับเป็นพี่น้องกัน เป็นครอบครัวเดียวกันให้มีความเมตตาเหมือนกับเขาเป็นน้องชายของเราพระพันเตนเป็นน้องชายของเราพระวสุก็เป็นพี่ชายของเรานั่นแหละแย่พูดแย่พูดแย่ว่ากล่าวตัดเตลีนกันก็ให้ตัดเตินกั น, ก น, กนด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีเป็นพื้นฐานภายในจิตใจไม่มีเจตนาที่จะกันแกล้งหรือว่าพูดให เพื่อนสาตมิกมีความเจ็บช้ำน้ําใจอันนั้นแม่เเพราะทุกคนนั้นมีความทุกข์ไปในจิตใจมากเพียงพอแล้วเราไม่ต้องไปทําความทุกข์ใจให้เพื่อนสาตมิกต่างคนต่างมีความทุกข์ใจมีเกลเอทที่จะแก้ไขจิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะนําอารมณ์อันเป็นความทุกข์ไปให้เพื่อนสาตมิก ค, ควรที่จะพยายามที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความมีเมตตา เมตตาธรรมต่อกันด้วยความเมื่อเฟือ้อซึ่งกันและกันในกิจของสงฆ์ละกิดธุระต่างๆก็ดีไม่มีมายาส า, าไทยมีความเมตตาเมื่อเฟือ้อซึ่งกันและกันอยู่เสมอเนี่ยการปตริบัติธรรมก็จะเป็นไปได้โดยสะดวกอันนี้การมาอยู่ร่วมกันเนี่ยางทีพระซึ่งยังไม่พระใหม่หรือยังไม่พ้นนิสัยหรือพระเก่าก็ดีซึ่งบางทีก็มาก่อนิสัย ไม่ทําเป็นประเพณีอันนี้นิสัยของครูบาอาจารย์เนี่ยบางกีเราก็ต้องดูบางอย่างเนี่ยเราจะอย่างครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอกเพราะว่าบางทีจิตของท่านก็ไม่เหมือนจิตของเราเราก็ต้องรู้จักรู้จักว่าจะวางจิตยังไงบางทีท่านทําอะไรเราสามารถไปลูกศิษย์ก็อยากที่จะทําตามบางีจิตเรายังไม่เป็นจิตเรายังมีกิเลสอย่างนี้เราต้องคำนึงระวัง คบาอาจารย์ถึงพูดถึงเสมอว่าให้ทําเยี่ยงอย่างครบาอาจารย์ให้เยี่ยมให้ทําอย่างเยี่ยมการประพฤติบัติแต่แต่ทาอย่างบางอย่างคบอาจารย์ท่านปล่อยวางหรือท่านไม่ยึดมั่นถึงมั่นท่านทําอะไรไปเราก็ส่วนใหญ่แล้วเรายังมีกิรลสแต่เราก็อยากจะทําอย่างแต่เยี่ยงการประพฤติบัติหมายถึงว่าให้เราได้นิสัยในการที่จะทําความเพี่ยนในการที่จะ ปลาลดความเพียนอยู่เสมอในทุกๆวันเนี่ยไม่ได้ขาดอย่างเช่นกิจวัตรประจําวันในสำนักเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากซึ่งกิจวัตรข้อวัดต่างๆนั้น <c oughs> ไดวางระเบียบไว้แต่เดิมแล้วระเบียบข้อวัดต่างๆเนี่ยพวกเราบางทีมาศึกษากันเข้ามารวมกันมาประพฤติปัดให้พยายามที่จะทําตามระเบียบข้อวัดที่วางไว้ให้ ให้ศึกษาให้เข้าใจว่ามีระเบียบอย่างไงมีข้อบัญญัตอย่างไงแล้วให้ทําตามนั้นให้ซื่อสัตย์กับตัวเองพรครูบาอาจารย์ไม่ได้ตามที่จะตามจับผิดหรืออะไรหรอกถ้าเรารู้ว่าผิดตรงไหนให้บอกให้แจ้งเช่นระเบียบข้อผิดย่อยที่มีเป็นปกติเช่นเตินไม่ทันก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนฉันนี่ถ้าไปแดินนบ่าฉันีก็ต้องแจ้งให้ทราบหรือฉันประตานเหลือก็ต้องแจ้งให้ทราบไม่ต้องอาย ไม่ต้องงายกิเลสอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเพึ่งให้บอกให้บอกต่อหน้าสงฆ์เพื่อที่จะปลดเพื่อความดิบมั่นถึงมั่นใน จ, จิตใจเรานั้นออกไปกิเลสมันชอบหลบๆส่อนๆนะแต่ว่าบางอย่างทำควาเปียนนิดหน่อยบางทีก็ชอบผัวหัวแต่ถ้าเรื่องทำบิดบานแล้วชอบปกปิดนี่มันเป็นอาการของกิเลสผมจึงให้แก้ไขจิตใจเรานีน่ด้วยการประจารความที่อ่ไม่ตรงต่อเวลาเลยว่า ความขี้เกียจภายในจิตใจของเราเนี่ย่ฝึกเป็นข้อพัดปีย่อยแค่นั้นเล็ก ๆ, ๆน้อยๆที่จะฝึกจิตใจ เ, เราแต่ผ้าใหม่ปีนี้ก็มีผ้าใหม่หลายลูก้ามาศึกษาก็ต้องนี่ก็ลําบากหน่อยว่าหมู่คณะเราผมไม่ได้พาทำวัดสวดมนเช้าเย็นหรือพานั่งสมาธิทําความเพียรไม่ได้พาทํำนี่ตนต้องเป็นที่พึ่งของตนต้องตาดูหูฟังมีความฉลาดในการที่จะดู พระเก่าทำยังไงพระเก่าก็ต้องเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างด้วยพระใหม่ก็มาศึกษานี่เพิ่งมาบทใหม่ไงเราต้องเวลาพูดกับพระที่มีพรรษากว่าเราให้พรรษาสามขึ้นไปให้พนมมือให้พนมมือพูดหรือจะทํำอะไรถ้ามีพระอ่าบุโษโตคุยกันอยู่แจะเข้าไปพูดคุยก็ขอโอกาสกันก่อนหรือจะทํำอะไรที่ข้ามศิษาท่านหรือ แบบนี้เราก็ต้องข อ, อกาสก่อนจะทําอะไรดึงให้มีระเบียบอไปสังเกตดูการทําข้อวัดต่างๆการรับบาตรหรือว่าการล้างเท้าเช็ดเท้าช่วยพับสังคาพับจีวรต่างๆเนี่ยทํานหน้าที่เราอยาให้ปกป้องทุกท่านมีหน้าที่เช่นไรที่แบ่งหน้าที่กันในการปฏิบัติในาการทำข้อวัดก็พยายามทําทให้ให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์ช่อเหลือกันในจิตของสม เมื่อทำจิตส่วนรวมเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาส่วนตัวละที่เราจะแยกยๆภาวนานี่ก็ทําให้มากทาเปลี่ยนไม้มากจะเลยไม่มากพูดง่ายๆเริ่มต้นนึงแต่ตืน่นแต่จำวัดเลยถ้าคใหม่ๆหรือ้าคเก่าถ้ายังไม่มีหลักเกณฑ์ภายใน จ, จิตใจของตัวเองนะควรจะตืน่นจำวัดตีสามเป็นมาตรฐานถ้าไม่อาภาัตถถ้าไม่ป่วยปีสามต้องพยายามตืน่นปกในกาเตะตีสามไม่ได้ เพราตอนเช้านี่เป็นเวลาสงบสับเนี่ยไม่มีเสียงรบกวนเนี่ยเราก็ตื่นมาตื่นมาทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จนะก็มีสติตั้งแต่เต่นนอนนั่นแหละว่าเรายังมีชีวิตเดี๋วันหนึ่งหรือมีอยึดยืนวันหนึ่งแล้วก็มีสติตามดูแลรักษาจิตใจของเราทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จก็ให้กาหนดดูว่าอยากจะนั่งสมาธิหรือยอยากจะเดินยังไง ถ้าจิตของเรานั้นมีความปลอดโปร่งแจ่มใสไม่มีนิวรณ์เราก็นั่งสมาธิถ้าจิตของเรานั้น ม, มีนิวรณ์ก็เข้าที่เดินยังกรมถ้าไมใหม่ฝึกเดินข้างล่างมันก็จะได้อายง่วงถ้าเดิข้างบนปกติมันก็จะมีนิวรณ์ความง่วงเข้คาครอบงำเดินข้างล่างจุดเตียนจุดตะเคียนมันสว่างแล้วก็เดินในพอเห็นทางนั่นแหละเดินยังกรมทำสติทําสามาธิ เมื่อเมื่อยพอสมควรเราก็ขึ้นไานั่งสมาธิประกาศทำสมาธิให้จิตสงบพอได้เวล า, าตีห้าเนี่ยอีกสิบห้าปีตีห้าห0ือสิบีเราก็เดินไปศาลาด้วยความมีสติไปถึงศาลาก่อนตีห้าเล็กน้อยหรือตีห้าเนี่ยเอาทำกิจส่วนรวมทำกิจเสร็จได้จะไม่ออกปินดาบก็ให้นั่งสมาธิในแตนยงกรมบริเวณนั้น มีสติตลอดเวลาเราปินจบาตก็เดินยังคงไปเลยอย่ายวชวนเงินคุยให้คุยได้แค่คำแพงวัดประเดินไปตอนแรกให้คุยได้แค่คำแพงวัดแล้วหลังจากนั้นให้โอกาสซึ่งกันและกันเดินไปด้วยความสงบเดินจงกลมไปพอนาไปถ้ากลัจะคุยยันก็ให้เดินออกไปก่อนแยกกันเดินให้เดินไปก่อนแล้วไปรอปากทางเข้าหมู่บ้านกําหนดเวลาเข้าหมู่บ้านเวลาไหนก็ไปรอปากทางเข้า นี่เดินเงินไปทีลูกก็ได้แต่ถ้าเดินพร้อมกันก็ต้องไม่คุยกันให้โอกาสซึ่งกันแล้ะกันเดินยังกลมไปเลยเดินไปถึงปากทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยก็เต็มตัวเข้ารับบินตบาดเข้ารับบินตบาดท่านก็รู้จักสำรวมจิตของเราตามดูจิตใจเงเราทุกขนาดจิตเวลาก็ใส่บาตรก็สำรวมมองแต่ในบาตรไม่ต้องไปมองหน้าผู้สาวหรือผู้หญิงมองในบาตรเนี่ยปิดบาตรสำรวม ทุกเรื่องบุญถ้าจะมองคนใส่บาทถ้าจะเหลือบมองเล็กน้อย <c oughs> ก็รู้จักพิจารณามองอย่าให้เกิดกิเลสอย่าให้เกิดความยินดีในลูกอย่าให้เกิดตามราคาเกิดขึ้นมองก็ให้ต้องพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานาธาตกรรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงของลูก น, นั้นมองคนหนุ่มคนสาวก็มองทะลุไปถึงความแก่มองคนคนแก่ก็มองให้ทะลุถึงความตาย เนี่ยต้องกำหนดจิตมองไมปงั้นในขนาดเอายาบททั่วไปในในขนาดบินตบาบลาเราพิจารณาไปพอรับพัรษ า, ารเสร็จเดินกลับออกจากหมู่บ้านก็ต่างคนต่างเดินกลับด้วยความสงบนี่ปกติแล้วแต่จะเดิมเหมือนท่าที่พระนรพงศ์นะสมัยก่อนเขาเชื่อพระผู้น้อยเนี่ยจะรับรับบาพระได้แต่ออกจากหมู่บ้านนั่นแหละแต่ของเราก็กำหนดาพระพรรษาไม่ามากด้วยกันก็มารับบาตรที่กำแพงวัด ถ้ า, าพระภูสุเราก็รับจากต้นทางออกจากทางบินตลาดเลยอันนี้ก็สํารวมตอนกลับจากบินบาทก็สํารวมเดินยังคงกลับพอมาถึงที่กําแพงวัดชายป่าก็รับบาดพระภูสุเข้ามาพอเข้ามาภายในวัดก็ช่วยช่วยกันล้างบาทพับผ้าสังฆาติล้างเท้าเจ็ดท้าพระภูน้อยพระใหม่ๆห่ลางเท้าพระภูสุก็ได้ฝึก ลางจิตใจร้องาสามนั่นแ ล, และลดทิฏฐิมันนะภาบุโษโก็ไม่ใช่ว่าเขาล้างเขาล้างอะไรให้เขาจะมีทิฏฐิมันะก็ทํทานะระวังรักษาใจงเราพยายามทําข้อวัดเสร็จแล้วพอมาถึงถ้าเกิดตัวละแล้วก็ชุดใหม่มาชุดเก่าที่มาถึงก่อนตายบาอะไรเล็กๆก็อาจจะเข้าทําเข้าไปทํากิจละส่วนตัวดูเออดูกว่าตลาที่นี่ แล้วก็น้ำลัางบาตรก็ไส่น้ำล้าบาตรอะไรนี้ก็ยันยันกันนี่ก็ให้เดือที่ศาลาสักลูกสองลูกก็ใช่วยพักที่มาที่หลังรับบาตหรือถ่ายบาตหรือว่าช่วยพับผ้าพอมาแห่ลูกลูกที่มาก่อนก็ทยอยออกมาทำกิจเทตรส่วนตัวลูกที่มาที่หลังก็ช่วยอยู่ที่นั่นสลับหมุนเวียนแบนี้พอเสร็จตุลาแล้วเนี่ยก็แบบเวลาเราตอนนี้ถ้าโยมมาเยอะเสาร์อาทิตย์หรืออะไรก็อาจจะนั่งเจ็ดมงครึ่ง แต่ว่าถ้าวันธรรมดาทีก็เจ็ดโมงสามห้าสี่สิบเนี่ยก็ดูก็สังเกตดูถ้าวันธรรมดาทียมเขาทําอะไรไม่เสร็จร็จช้ามาช้างนี้เราก็ให้โอกาสเขาอาจจะนั่งเจ็ดมงสี่สิบก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ายมเยอะแบบวันสางวันเีงก็เจ็ดมงครึ่งก็นั่งแล้วแจกพรทหารมีสติต่อเวลาเลยแหละแจ่พระทหารก็รู้แจกคำรวมดูอาหารที่ผ่านมาฉันจะพอดีรับอาหารจะพอดี อาหารที่แสดงร่างกายแล้วก็เว้นไม่จากพิจารณาอาหารแต่พอดีดูแต่ในบาตรของเราดูแต่อาหารของเราไม่ต้องไปดูคนหน่นคนนั้นเอามากคนเนี้ยอน้อยไม่ต้องไปสนใจเขาจะฉันมากน้อยเรื่องเขาให้เราเป็นฉันได้พอดีดูในที่บาตรของเราเนี่ยแะไม่ต้องไปส่งจิตออกไปภายนอกให้สํารวมสํารวมดูที่ใจของเราถ้าจะรับพระทานอาหารก็ดูที่บาตรของเราดูที่อาหารที่ผ่านมาพิจารณาตั้งแต่อาหารมานั่นแหละ ถ้ามันอยากจะมาเอามากก้าภาพฝึกใหม่ๆก็รล้จักเอาพอดีเอาให้น้อยหรือไม่เอาเลยก็แล้วแต่อุบายวิธีที่จะฝืนจิตใจน่มีสัมรวมทุกๆขนาดจิตแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์เมื่อใส่ลงไปในบาตรเรียบร้อยแล้วนกะ็ให้แต่พอดีก่อนจะฉันก็ใพิจารณาหาเลปฏิูสัญญาพิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณก่อนที่จะลงมือฉันเพราะาฉันเรียงตามดับในความีเวลาพิจารณาถ้าพิจารณาก่อนฉันไม่ทัน ก็มีสติพิจารณาขนาดฉันรู้สัมผัสที่ปลายลิ้นรู้ว่ารส ห, หวานหวานเคาวเนี่ยรวมเมื่อเมื่อฉันฉันลงไปเนี่ยมันก็มีรสที่ขวนลิ้นกันนะหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวก็รู้กันนั้นน่ะเมื่อร่วมผ่านลําคอก็ไม่มีรู้รสอะไรลงไปในข้ออ่านก็ไม่แบ่งช่องงานหวานนานเค้าพิจารณาละเอียดไป น, นะอันนี้หมายถึงว่าใครขนาดฉันก็พิจารณาดูสัมผัส ลดต่างๆเกิดดับเกิดดับพอจันงใจแล้วมีเวลาก็พิจารณาอาหารที่รวมไปในกระเพาะหรือว่าไม่มีเวลากลับปกติเรานั่งสมาธิเราก็พิจารณาอาหารในกระเพาะรวมลงไปก็เป็นธาตุดินธาต้น้ำธาตลมธาตุไฟเมื่อของที่เป็นประโยชน์ก็ดูดซึมไปกับร่างกายของเราเพื่อบํารุงร่างกายจะได้มีกําลังในการทำอมเพลียนส่วนที่เป็นของเสียก็เป็นของหนักของเบา ออกไปนั่นแหละก็มีเพียงแค่นั้นแหละร่างกายเราก็เป็นในเพียงธาตุสี่ธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอาหารก็เป็นในเพียงธาตุสี่อาศัยซึ่งกันและกันพิจารณาไปนะั้นเมื่อฉันเสร็จก็สัมรวมตลอดนะล้างบาตก็สัมรวมพยายามที่จะพูดน้อยไม่จำเป็นไม่ต้องพูดกันให้มีข้อบัญญตรเมีสติ ด, ดูใจตลอดล้างบาตเสร็จมาเช็ดบาตไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดกัน ถ้าจำเป็นก็พูดกันแต่น้อยพูดกันเบาๆให้ได้ยินสองคนไม่ต้องให้ได้ยินดังไปข้างนอกให้หญิงใกล้ๆในลัศมีห้าเมตรแค่นั้นแหละพอเสร็จแล้วก็ตากผ้าเราเก็บผ้าถากบาตรเสร็จแยกย้ายกันติดตัวต้องไม่มีกิริยารอะไรให้พากันดีตัวกับกุฏิเลยกับกุฏิเสร็จแล้วก็ทํากิริยาส่วนตัวเสร็จเข้าที่เดหนึ่งกรมเดหนึ่งกรมพอสาควร ชโมงนึงก็กลับมานั่งสมาธินั่งสมาี่เสร็จสลับก็เดินยังกรมไปจนถึงเที่ยงถ้าจะพักก็พักหลังเที่ยงอย่าไปพักสิบโมงสิบเอ็ดโมงถ้าพักตอนนั้นมันเป็ น, ปนกิเลสเป็นนิวรณ์กิเลสเมาอาหารมันจะก่อให้เกิดความง่วงต้องต่อสู้ต้องฝืนถ้ารู้ว่าวันนี้ฉันมากเกินไปมันแน่นมันหนักทําให้เกิดนิวรณ์ความง่วงต้องป่อนอาหารให้น้อยลงวันหลังที่ทำมันเพียนไป เดิยนยันกรมตั้งสมาธิมีส ต, ติตลอดแต่อยตั้งหลังเที่ยงได้จะพักก็พักหยิบน้อยก็ขึ้นชั่วโมงหยิบหน้าก็ชั่วโมงหนึ่งก็พอละถ้าใครจะทำวนเพียนมีกําลังจิตดีไม่อยากพักกลาวันก็เดินยันกรมนัง่งสมาธิสาวันไปน่ะถ้าพักแล้วตื่นขึ้นมาทํากิจเทวดาส่วนตัวเสร็จคือล้างน้ำล้างหน้าให้จิตปลอดโปร่งแจ่มใสแล้วก็ดูเจติตีว่าถ้าไม่มีนิรวรณ์เราก็นั่งสมาธิถ้ามีนิวรณนก็ไปเดินยันกรม เป็นหนึ่งกรมเนี่ยจากบ่ายโมงไปถึงบ่ายสองนี่ก็ได้ชั่วโมงแล้ว่ายสองก็มานั่งสมาธิเกือบชั่วโมงพอสิบห้าทีบ่ายสามก็ถือไม่กวาดกเดียวไปแบบที่เราทํามีสติตลอดทําสมาธิตลอดถือไม่กวาเดียวไปไม่จําเป็ น, น้็ไม่ต้องคุยกันถ้าเจอก็คุยกัพอสมควรต่างคนต่างคำพูจคิตใจกอ่าตาทํากิจวัตรก็ดูให้เรียบร้อยทุกอย่างที่เคยทำนี่แหละช่วยกันทําให้จนเสร็จจิตทุกอย่าง ก็แยกย้ายกันตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขณะทำกิจก็มีสติที่จะสมรวมใจอยู่ตลอดเวลาพิจารณาธรรมอยู่ตลอดเวลาทําสมาธิอยู่ตลอดเวลาทํากิจทัวร์ส่วนตัวเสร็จแล้วก็ไปทำที่กุฏิกว่าทางเข้าออกกุฏิหรือถูกติทุกวันถ้ายังมีเวลาอีกเราก็อาจจะเดิ น, นงองลมเดินนั่งสมาธิก็แล้วแต่หรือว่าถ้ารู้สึกว่ามีเหนื่อเยอะอาจจะหยาดส่งน้ําก่อน ส่งน้ำก่อนมีเวลาก็นั่งสมาธิเดินหนึ่งครมก็แล้วแต่ได้เวลาก็มาฉันน้ำกันห้าโมงสิบ้ายี่สิบอะไรที่มาฉันรวมกันเนี่ยฉันน้ำก็พิจารณาพอสมควรอย่าไปฉันตามกิเลสตามความอยากมากไหมนะฉันเพียงเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาแค่นั้นสารวมจิตฉันก็ไม่ต้องคุยกันเสียงเออกะเลิกเสียงดังต่างคนต่างฉันด้วยความสํารวมทั้งใส่้อเด็ดตัวออกแยกๆกัน ช่วยกันเกตช่วยกันทำความาสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตลับกุฏิไปเดินหนึ่งกรมนั่งสมาธิหรือถ้าใครมีปัญหาอะไรก็แบบที่ ท, ทราบเนดีอยู่ว่าอาจารย์จะมานั่งหกโมงหรืมงคึ่งเพื่อให้โอกาสพระอุทากจะได้มีเวลาฉันน้าก่อนจะได้มาดูแลอาจารทีหลัง น, ะนี่ใครไี่มีปัญหาอะไรก็ให้แยกย้ายกันกลับที่พักภาวนาเลยถ้าใครมีปัญหาในเรื่องการภาวนาก็จะให้โอกาสในตอนนั้นแบบที่ทราบันดีแล้ว นี้ถ้าใครไม่มีปัญหาอะไรก็กลับที่พักไปเดินหนึ่งกรมนั่งสมาธิถึงสี่ทุ่มอันนี้อย่างทั่วไปมาตรฐานทั่วไปนะสี่ทุ่มก็จำวัดก็พักผ่อนสี่ทุ่มอันนี้ผ่อนแล้วนะก็เห็นตอนหลังมาศึกษาดูปฏิปทาครูบาอาจารย์บางท่านก็พักผ่อนสี่ทุ่มถึงที่สามอันนี้ห้าชั่วโมงซึ่งผมไม่เคยทำหรอกแต่ว่าพิ่าวตรงกลางนี้ก่อนพักสี่ทุ่ม เต็นที่สามแต่ว่าเราก็ดูอันนี้อันนี้เริ่มต้นนะแต่ผู้ใหม่พักสี่ทุ่มแต่หนึ่งกมเริมาที่หนึ่งสี่ทุ่มก่อนเวลาเราจะจำวัดก็กำหนดธรรมฐานยิงก็จะหลับหรือพิจารณาร่างกายเป็นซากศพยิ่งกว่าจะหลับนี่แต่ว่าถ้าเราดูถ้าคิดว่าทําขนาดนั้นจิตใจเรามีกําลังอยากจะพักห้าทุ่มก็พักห้าทุ่ การเป็นงพอก็ลงพักสี่ทุ่มก่อนเตื่นตีสามนถ้าพวกท่านทำความเพียนแบบนี้ทุกๆวันสมาธิย่อมเกิดขึ้นปัญญาย่อมเกิดขึ้นมรรคผลนิพพานย่อมปรากฏขึ้นไปในจิตใจของแต่ละท่านได้ก็ทําความเปลี่ยนสม่ำเสมอทุกๆวันไปเช่นเนี้ยไปตลอดทําวันเดียวแต่ทุกๆวันให้เป็นแบบเนี้ยสมาธิย่อมเกิดขึ้นแน่ถ้าใครทําแบบนี้นะนี่เมื่อมันมาอยู่รวมกันเนี่ย ในพรรษาเป็นโอกาสกันดีที่จะทําข้อวัดในทุตงงวัดที่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลตของเราดีซึ่งพระทุตงกรรมฐานสายพระพุทธเจ้าสายครูบาอาจ า, ายรย์หลวงปู่มั่นอบู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาเนี่ยท่านก็รักษาประเพณีทําข้อวัดทุต่งทุต่งวัดเนี่ยเครื่องขัดเกลาเกลเลภายในจิตใจของเราเนี่ย ได้ปกติแล้วครูบาอจารย์หลายท่านก็ถือทุดงหลายก่อในสมัยก่อนได้ปกติแล้วเราก็ศึกษาพอควรนี้จะตบทวนให้ผ้าใหม่ได้ทราบทุดงในวัดเก่าที่จีบอนก็ข้อที่หนึ่งก็ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดสมัยก่อนพระครูบาจารย์ท่านผ้าเนี่ยหายากผ้าจีบอนผ้าสังกาผ้าหนุ่มหอมหายาก เป็นผู้มัธยับมากน้อยสันโดนก็ใช้ผ้าบางสกุลเมื่อผ้าที่บอลผ้าสังคาขาดท่านก็ปะไปชักผ้าบางสกุลตามผ้าป่าช้าที่ป่าช้าบ้างที่ซากศกบ้างในผ้าที่เขาทิ้งเสียแล้วพอที่จะมาทำความสะอาดให้มันสะอาดแล้วก็มาย้อมมาปะชุนย้อมเนี่ยใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัตเนี่คบอาจารย์ท่านเป็นเดินมาแบบนั้น สมัยก่อนไม่ใช้ของฟุ่งเฟือยบักน้อยสันโดษผ้าจีวรก็ปะเอ็ดเสร็จผ้ามาปะนั่นแหละท่านถือทุตองวัดไปเรื่อยใช้บ้านใ้ผ้าบางทูนเป็นวัดซึ่งทุกวันนี้ก็ผ้านุ่งห่มก็ค่อนข้างจะมากอาศัยสตาร์ย่านโยมมีมากผ้าต่างๆก็ค่อนข้างจะเหลือเฟือนี่ต้องรู้จักใช้ให้ความมั่งอีสันโดษโด้พกติแล้ว ที่ผมพูดให้ฟังอยู่เสมอที่วันหนึ่งน้อยก็สูงหน้าก็สามประมาณสามปีตังคา่าเนี่ยอ จ, จะได้เก้าปีสิบปีเองได้ที่วันนี้ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยโดยกติหลักของเราต้องมีแผลคือปะนะเริ่มขาดอย่างน้อยกําลังแผลนี้่ค่อยๆ เ, เริ่มที่จะพิจนาหาผ้ามาเปลี่ยนไปถึงผ้าที่วันนั้นนี่แต่ละคนก็มีเหงื่อหรือว่าไม่เหมือนกันใช้ บางทีก็ขาดเปื่อยง่ายเพราะฉะนั้นให้ดูว่าจีวรเนี่ยถ้าเริ่มตากสองคำแผลเนี่ยถึงจะคิดที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าผ้านี้ยังไม่มีแผลที่จะ่านอย่าไปคิดเลยให้มีความมากน้อยสันโดนอันนี้ก็ต้องฝึกไปนั้นข้อที่สองสุดตรงกวัดคือว่าถือผ้าไตจีวรชุดเดียวสำรับเดียว ถือผ้าไต่กีบอนมีผ้าสังขารติกีบอนสบงแค่นั้นชุดเดียวนี่โดยปกติแล้วพ้ากรรมฐานเราก็มีผ้าไปเพียงชุดเดียวเท่านั้นไม่มีผ้าใสเหมือนเหมือนทางวัดทั่วไปนี่ก็อันนี้ก็เป็นพิธีกรรมหนึ่งคือมีความพอใจมีความมักน้อยสันโดษในผ้าที่บอนผืนเดียวสังกาผืนเดียวสบงของผืนหนึ่ง น, นี่เกี่ยวเรื่องกี่บอนก็มีสองข้อเรื่องบิณฑบาต ก็มีอยู่ห้าคอบินตาบาดก็มีถือบินตบาตเป็นวัดซึ่งโดยปกติแล้วยังเข่งเนี่ยเขาก็พวกเราสายปฏิบัติเนี่ยเขาบินตบาดเป็นวัดนอกจากว่านอกจากว่าวันไหนไม่ฉันเนี่ยเดี อ, อาพาธก็ไม่ได้บินตบาตเอาผ่อนไปอาพาธคอนดูลมไปอันนี้เป็นการที่ว่าขุดเกาจิตใจไม่ว่าอาหารมากแล้วก็บิณตบาดเนี่ย บางทีบางแห่งถาหันมากแล้วไม่ออกบินธบดีกว่าเนี่ยเขกลายเป็นขี้เกียจไปให้บินธบาตเป็นวัดแล้วก็บินธบาตามลําดับนี่ข้อที่สี่ก็บินธบาตเป็นแถวตามลําดับไปถึงการออกบินธบาเ น, นาเนี่ยแต่ก่อนพอจะดชายป่าเนี่ก็เดินไปเป็นลําดับเรียงแถวไปผ้าหัโสแล้วผ้าหัวโสเนี่ยที่ตรงว่าตรงนี้เราก็บางทีก็ยกเวน้นข้อที่สี่เนี่ย อาจจะมงองออกไปก่อนก็ได้ไปรอที่หมู่บ้านเนี่ยอันนี้ก็ผ่อนไปเพื่อความสงบเพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสที่จะํารวมจิตใจของตัวเองให้ให้ดีขึ้น น, น, นี้แต่ว่าถ้าเป็นทุงง่งกวบเนี่ยเขาจะบินระบาดตามลําดับเลียงแถวกันไปอย่อันนั้นเราก็อาจจะรวมไปข้อที่ห้าเกี่ยวกับการฉันนี่ก็เป็นข้อที่ห้าก็ฉันอัสนะเดียว ฉันแนอาสนะเดียวคือว่านั่งอาสนะเดียวฉันเสร็จก็เลิกกันอันนี้เราก็พยายามที่จะรักษาคือฉันทีเดียวเลิกแต่เช่นที่เราฉันน่ะจะเป็นอาหารอาสนะเดียวพอรู้จักจากอาสนะแล้วก็ไม่ฉันอีกก่อนเที่ยงหรืออะไรเงี้ยข้อที่หกฉันภาชนะเดียวนี่ก็เป็นทุติงภวัทถือฉันภาชนะเดียวซึ่งโดยปกติแล้วเราก็มีข้อวัดให้ฉันในบาทภาชนะเดียวซึ่งถ้าวันอาหารเยอะๆเช่นวันเนี้ย ซึมีโยมาเยอะอ่านพัฒานเยอะผมจึงจะผ่อนอันดุโลมให้จันไในถ้วยได้เพราะว่ารู้ว่าใส่ไปมากๆก็จันไม่ได้บางทีบางทีภาทพที่มีอายุอาจจะจันไม่ได้เพราะว่าอ่านไปผสมกันมากจนจันลำบากนี่ก็ผ่อนให้จันในถ้วยได้เป็นบางกาลบางเวลาแต่ปกติแล้วให้ถือจันในบากเป็นวัดเป็นวัดนี่ดีเป็นทุตตงกวัดข้อที่เจ็ด ไม่รับพัฒนหารที่มาภายหลังข้อที่เจ็ดยังไม่รับพัฒนหารที่มาภายหลังคือว่าถือที่ดงวัดไม่รับพัฒนาหารที่มาภายหลังบางทีที่ถือเป็นตัวทั่วไปก็เมื่อพิจารณาพิจารณาหารแต่พอดีแลปิดฟ้าบานแล้วหรือว่าเริ่มฉันเริ่มฉันกําแรกแล้วถ้ามีหารมาที่หลังก็ไม่รับแล้วเนีย่ยต้องไปนั่งหมาถึงที่ดงวัฏนี้เครื่องขุดเกากิเลสแต่วัดเหล่านี้ก็ ในปกติแอาหารก็จะมาพร้อมก่อนส่วนมากนอกจากเทศกาลงานอาจจะมีมาทีหลังบ้างแต่ถ้าเป็นวัดหนองประมงสมัยก่อนอาหารดีๆจะมาทีหลังมาไม่ทันมี่บางทีพระบางท่านก็ฝึกไม่รับเพราะว่าฝึกขุดเก่าจิตใจเนี่ยก็ไม่รับพระทานที่มาภายหลังนี่ก็เป็นทุดงวัดนี่ก็เรื่องข้อที่แปดก็เป็นเรื่องการอยืนการใช้เสนาสนะคือว่า ถือการอยู่ป่าเป็นวัดการอยู่ป่าเป็นวัดก็แบบเราอันนี้ก็อยู่ในป่นาอยู่ในป่าแต่มีกุฏิมุงบังเนี่ก็อยูนป่าเป็นวัดนี่แต่ที่เราอยู่เนี่ยในข้อที่เก้าก็อยู่ที่โล่งแจ้งเป็นวัดเ น, นี่ยบางท่านสมัยก่อนถือทุตุงอยู่ที่โลงแจ้งเป็นวัดหรือว่าอยู่ใต้คนไม้เป็นวัดข้อที่สิบหรือว่าอยู่ที่ป่าช้าเป็นวัด ป่าช้าเป็นวัดอยู่ที่มีป่าช้าเ่าพิจารณามอนานุสติไอ้ข้อมีพอที่สิบขอที่สิบเอ็ดอยู่ในที่ที่เสนาสนะที่ท่านจัดให้นข้อที่หกสิบเอ็ดสิบสองสิบสองข้อสิบสองก็อยู่ในเสนาสนะที่ท่านจัดให้เช่นมาอยู่จำพรรษาลเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์แต่ละแห่งก็จะจัดเสนาสนะให้ไปจำ ที่นั่นไปพั ก, กที่กุฏิดังนั้นหลังนี้เนี่ยอันนั้นเราก็แล้วแต่ที่ท่านจะจัดให้ถึงแม้ว่าจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเราก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์อันนี้ฝกการเนี่ยเป็นทุตดงกัลัสนะคือว่าถือเสนานะที่ครูบายการจัดให้แต่ส่วนมากแล้วพระนมมาอยู่ที่นี่ผมให้โอกาสเพราะว่าบางทีเสนาสนะมีเหลือจึงให้พระพิจารณาเองผ่อนให้พิจารณาเองว่า บางทีให้โอกาสในการเลือกเพื่อถูกอัตยาศัยในการพักบำเป็นภาวนาอาจจะถูกกับสถานที่ทางเป็นยังกรมหรือเริเวณกติขึ้นโลงโปง่งเลยบางคนก็ชอบอยู่ที่มีต้นไม้ขึ้น่ยอันนี้ก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมอันนี้เห็นประโยชน์ในการเอื้อนวยในการภาวนาเป็นสาคัญทู้ดงข้อที่สามก็คือถือในธชิตเป็นวัดให้ถือการนั่งกลางคืนไม่นอน นั่งกันงคืนไม่นอนไม่เอมหลังแต่พื้นนั่งภาวนานั่งถือยาบทในสติคือ น, นั่งหรือเดินหรือยืนไม่นอนในเกลางคืนเนี่ยอันนี้ก็เป็นพุทธองค์วัดเครื่องขุดเอากิเลสแต่เราก็ผ่อนก็สิบสามนี่เราก็อนุโลมว่าวันพาคนี้ก็ยังแปดข้ามสิบสี่ข้ามสิบ้าขามนี่ก็่อยพักหลังเที่ยงคืนเนี่ยก็พยายาม ที่จะทำควาเปลี่ยนกันได้มากถ้าหลังทิ้งคืนถ้าใครมีกําลังอยากจะไม่นอนตลอดคืนก็นี้เดินยังคมนั่งสมาธิกันเองอันนี้หมายถึงต้องรู้จากประมาณในกําลังของเราบางคนอาจจะนอนนอนน้อยสองสชั่วโมงหรือได้หนึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่แล้วทำควาเปลี่ยนต่อไปอ น, นี่ควรฝึกเมื่อพระใหม่นี่ทุตุนกวาดที่สามข้อนี้อันในถูกเฉลี่ยกับเราก็ให้นํามาปัด พ, พืชปฎิบัติ เป็นเครื่องขัดเกลาเกลียดไปในใจของเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญนะพี่ธงกวาดนี้เป็นบ่อกเกิดของธรรมะของครูบาอาจารที่ท่านดําเนินตามระยะประเพณนีนี้มาตลอดตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธศตวร่ษพระมหากรสปาเทล่เป็นผู้เลิศทางพี่ธงกวาดท่านรักษาไว้เพราะว่าอันนั้นเป็นบ่อกเกิดของธรรมะที่ท่านรู้ท่านเห็นด้วจิตใจเป็นธรรขึ้นมาแต่สมัยก่อนนั้นไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าจะอันธุดงวัดเฉพาะคณะหมู่คณะของพระเทเระมาสปาเทลรนั้นไม่ใช่ปกติแล้วสาวกของสมเด็จพระมถาคตพุทธเจ้าก็ไปปฏิบัติธุดงวัดกันมาทุกๆุกท่านนะแต่ว่าที่เลิศที่เด่นคือคณะของป้ามากระสปาเทเรนั่นนั้นก็ถือธุดงวัดกันมาทั้งนั้นแนหะแต่ว่าหนักเบายิ่งหย่อนเหมืกั น, น ก, กน็แตกต่างกันไปนี่ พระมากราชสตร์เถระก็ทรงรักษาทุต่องกบวัตรไว้เพื่อให้กุลบุตรที่มาบวชภายหลังได้เห็นประเพณีนี้เป็นกระทั่งสืบต่อมาถึงองค์หลวงปู่สาหลวงปู่มั่นซึ่่งเป็นบุรพาจารย์ปรามาจารย์ทางสายวิปัสสนากรรมฐานเนีท่านก็รักษาไว้สองพันร้อยปีนะสองพันรอยกว่าปีท่านเองรักษาคิดดูรักษาทุต่องกบวัตรทาเป็นแบบอย่าง หลวปู่สาวหลวงปู่มันเนี่ยักษาที่ดงกวัฏมากเราจะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากมันเือประวัติของท่านเนี่ยเราจะได้ก็คงได้ยินได้ฟังอยู่ว่าไม่ทรา บ, บันดีว่าครูบาอาจารย์นั้นท่านรักษาทีดาททาท่ดงกวัฏปฏิบัติตามที่ดงกวัตฏเนี่ยท่านจึงรู้ทำเห็นรรำเลติแ จ, จเป็นธรรมขึ้นบายกันได้ส่วนมากเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ไม่ควรที่จะผ่อนหรย่อหย่อนมากมายนะัก ซึ่งบางแห่งผมไปเห็นก็บางทีละเลยมองข้ามทุกดงงวัตอันเป็นบ่อกเกิดของธรรมะเนี่ยเพราะธรรมะจึงเกิดได้ยากจิตที่จะเห็นธรรมะหรือจิตเป็นธรรมะเป็นได้ยากเพราะเรายอร่อหย่อนกันเราติดกับความสุขความสบายกันสมัยก่อนเราคิดดูแล้วกันเราบารมีขนาดไหนเรามายอ่อหย่อนกันครูบาอาจารย์ขนาดทัานสร้างบารมียอมากทั่านเองเช่นงวดกดขันตัวเองนั่นท่านจึงได้รู้ธรรมเห็นธรรมนี พราะฉะนั้นให้รักษาไว้เพราะวัดอันใดที่พอที่จะขุดเกากิเลสของเรานั้นอย่ากลัวกิเลสมันสึกหลออย่ากลักิเลสว่ามันหมดไปจากใจเราไม่ต้องเก็บไม่ต้องไว้เก็บไว้เฉยชมเนาะหาทางละหาทางทําลายกิเลสทุกๆวันนะเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะฉะนั้นให้มุ่งหวังในการปฏิบัติให้จริงให้จังปราศกความเปลี่ยนตลอดไม่ว่าจะบวชชั่วคราง ระยะสั้นก็ตามหรือบทไม่มีกำหนดก็ตามในภาษาเนี้ยสี่เดือนสามสี่เดือนให้ตั้งใจบํบาเพ็ญภาวนาทุกๆวันอนาคตไม่ต้องไปห่วงไปกังวลมากทำปัจจุบันให้มันดีในแต่ละวันแต่ละคืนชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนแต่ละวั น, แ ต, วนแต่ละคืนให้ทําความเปลี่ยนให้เต็มที่เดินหนึ่งขมนั่งสมาธิปราลกความเปลี่ยนกันทุกๆวันต่างคนต่างให้โอกาสกันเลื่อเฟอื่อกันอยู่ รวมกันในหมู่คณะมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันนะพูดด้วยความเมตตามีอะไรก็ตักเตือนกันด้วยความหวังดีอย่างมีทิฏฐิมานะถึงแม้มันมีทิฏฐิมานะอยู่ในใจเราทุกๆค น, นก็พยายามทาแก้งว่าไม่มีทิฏฐิมานะพยายามล้างทิฏฐิมนะออกจากใจพยายามเพ่งโทษในใจเราไม่ต้องไปเพ่งโทษบุคคลอื่นไม่ต้องไปสนใจบุคคลอื่นว่าเขาทําดีเขาไม่ดีแต่ถ้าเราเห็นพระผู้ทรงพระเก่าก็ตัเกเตือนแนะนําหรือพระผู้ทราทำไม่ดี ถ้าผูดน้อยก็บอกหรือขอโอกาสบอกกล่าวได้ตามสมควรก็บอกด้วยความหลังดีไม่ใช่บอกด้วยความที่จะเจตนาส่เสียดหรือการแกล้งกั น, กนอันนั้นไม่เหมาะสมต่อการเป็นสัมมาณะต่อการมาประพฤติบัติต่อการมาประพฤ ต, ตพิบัติอยู่ในเพศภาคกาวภา ก, าากอันเป็นตรงใจของพระลานเพราะนั้นเข้าไปอยู่ในเพศภาคกาวภากนี้ให้พากันตั้งใจประพฤติบัติให้จริงให้สพหมพวงกันได้เข้ามาบวชเ่ ประเทพพระกาศสาพักนี้ต้องประพฤติบัติให้สมภูมิถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นก็ตามก็ทาให้มันเต็มที่ให้เป็นตามกับลังใจของเราหาวิยให้เกิดสตางคความเพีย่ยนทําความเปลี่ยนขอให้เกิดสติสมาธิปัญญาไม่ใช่ว่ า, าคิดอะไรก็เป็นเรื่องของกิเลสปงแต่งอะไรก็ให้เป็นเรื่องของกิเลสไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะควบคุมจิตใจให้ระงับกิเลสภายในใจงเราเลยไม่ถูกต้อง ปงแต่งไปแต่ละเรื่องแต่ละอย่างหรือพูดคุยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเป็นเรื่องก่อให้เกิดกิเลสเพราะฉะนั้นต้องสำรวมจิตใจจะพูดคุยอะไรก็ให้เป็นเรื่องที่จะชำระ ก, กิเลสออกจากใจทําให้กิเลสมันสงบระงับลงไปจะทําอะไรคะหาวบายให้เกิดสตาร์ความเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เกิดความสงบของจิตทําสมาธิภาวนาให้จิตสงบห้ได้เพื่อที่จะบอกเกิดแห่งสติปัญญา ในการที่จะพินารละทธิเหลออกจากใจกเราเนี่ยทำความเพียรทุกๆวันไม่ท้อถอยก็จะประสบความสำเร็จเองครบาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ท่านก็ทําความเพียรทาปฏิปทาสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าทำสิบห้าวันแล้วก็ปล่อยจิตปล่อยใจที่ทําเดือนหนึ่งแล้วก็ปล่อยจิตปล่อยใจหรือว่าทำความเพียรเฉพาะในภาษาออกภาษาเลิกไปเก้าเดือนไม่ต้องทำความเพียรไปที่นู่นเที่ยวไปที่นูนน่นที่นี่ ไปเที่ยวไปหาหมู่คณะไปงานนูน่นฉลองนู่นฉลองนี่เนยไม่หนีที่สิ้นสุดนะไม่ใช่กิจของธรมนะจิตของสมณะคือหลีกเล่นภาวนาหาที่สงบสงัดหาที่บําเพ็ญภาวนาหาเห็นนาสนะที่สงัดบเาเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะขูดเกากิเลสขูดเกาจิตใจเหล่านั้นให้บรรเทาวางไปจากความโลภความโกรธความหลงหดืทํากิเลสให้มันสิ้นท่าไปจากใจจึงจะสมภูมิเพราะฉะนั้นในพวกท่านทุกคนซึ่ง ตั้งใจเข้ามาบวชมาปฏิบัติถึงแม้จะบวชโชคราก็ตามนะให้ทําให้เต็มที่ในพรรษานี้และถ้าบวชไม่มีกําหนดก็ทําไปทุกๆวันนะก็แบบที่เคยพูดอยู่เสมอทําไปจนกว่าจะถึงปฏิพนะัชจนกว่าจะหมดกิเลสภในใจของเรานนั้นจริงจะพอดีถึงจะพอสมควรทำอะไรหยาแบแยบไปปล่อยจิตใจไปทำกิเลสไม่ไม่น่าดูไม่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นต้องสำรวมปฏิบัติจิตใจงเรานั้น ให้นอนแต่พอดีฉันได้พอดีทำความเปลี่ยนให้มากไว้ก็จะพอต่อความสำเร็จก็ให้ความคิดเห็นพอสมควรนะให้ตากันตั้งใจประพฤพติแบบปอนาท่านธรรมญาณโมหะทาทาทุกการปอนามัติท้ดาท้าทุกกา